เราเนี่ยมีสองอย่างคือมีความสุขกับความทุกข์จะสังเกตว่าความทุกข์เนี่ยดูมันจะมากกว่าความสุขความสุขมีหายากแห้งแรงมากแต่แต่ทุกข์เนี่ยไม่ต้องหานีมันก็มาเยี่ยมเย็นเราตลอดเวลาเลยผมยังคุนพูดเสมอเสมอว่าไอ้ความสุขเนี่ยเหมือนคนที่เรารักแสวงาาหาเท่าไหร่ก็ผิดหวังอยู่เรื่อยๆแต่ความทุกข์เนี่ยเหมือนคนที่มันรักเรา มันซื่อสัตว์เราเลอเกินมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรามันตื้อเรานะไอความทุกข์แต่ว่าเขารักเราจริงๆคนที่รักเราเนี่ยเราตรอเวลาแต่คนที่รักเนี่ยเราก็ตามเขาเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะมีสองอางคือมีสุขกับทุกข์ถ้าวางใจไว้ถูกต้องเราก็มีความสุขถ้าวางใจไว้ไม่ถูกต้องเราก็มีความทุกข์เพราะว่า การฟังคำในวันนี้ฟังเพื่อเอาไปใช้เอาไปขบคิดแก้ปัญหาเพราะปัญหาบางอย่างเนี่ยเราต้องใช้ความคิดมากมันสะสางยากและเกินมันหนักหนาแต่ถ้าการฟังธรรมแล้วสามารถเอาไปสอดแทรกกับการแก้ปัญหาได้ไม่มากก็ น, น้อยเพราะว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะมองไปทางไหนก็จะเห็น มีแต่คนเจอปัญหาที่ไม่อยากจะเจอเจอปัญหาในปัจจุบันก็อะไรไหมก็คือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจซับซ้อนมีผลทําให้คนต้องตกงานปัญหาความไม่สงบของบ้านเมืองอันนี้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็หลายคนมีคนมาปรึกษาเรื่องแบบนี้ก็ได้ประสบการณ์ที่จะมาเล่าสู่กันฟังหลายคนถือกับ กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าคิดมากอที่เรนอนไม่หลับไม่ใช่อะไรเพราะเราคิดมากนอนไม่หลับเพราะเกิดปัญหาแบบนี้หเศรษฐกิจเนี่ยหาตกงานเนียมีบ่อยมากเลยบางคนน่าสงสารมีความกังวลนะมีโรควิตกกังวลบางทีเป็นโรคซึมเศร้าอาการหน้าเป็นห่วง <laughs> บางคนถึงกับคิดฆ่าตัวตายก็มีนะ แค่ปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้อยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้บางคนต้องพึ่งสิ่งเสพติดพึ่งยากระตุ้นเป็นการะแก้ปัญหาชีวิตมีหลายแบบแต่ในสถานการณ์เช่นนี้หลายคนมีความทุกข์เพราะวางใจไม่ถูกต้องแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มนะอยู่แบบสบายๆเลย มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดามองปัญหานี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่เดือดเนื้อร้อนใจเห็นไหม <c oughs> เป็นคนปกตินะไม่ใช่คนบ้าเขาก็รู้สึกไม่เป็นทุกข์กับสถานการณ์แบบนี้เลยนะแต่บางคนทําไมถึงเป็นทุกข์แล้วคนเป็นทุกข์ไม่มีมากกว่าด้วยเผชิญปัญหาเหมือนกันแต่จิตใจนั้นต่างกันน่าสนใจนะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับการวางจิตวางใจกับปัญหาเหล่านั้นการวางใจเนี่ยสำคัญมากถ้าวางใจไว้ผิดเนี่ยปัญหาเล็กน้อยมันก็เป็นทุกข์ได้ถ้าเราวางใจไว้ถูกต้องเนี่ยปัญหาใหญ่ก็กลายเป็นปัญหาเล็กแล้วหมดปัญหาไปเลยสถานการณ์เดียวกันนะแต่ว่าการมาเจอปัาหาด้วยจิตใจนี่ต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ศึกษามามากมีประสบการณ์มากก็ย่อมจะมองปัญหา ได้ดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามในสถาน ก, การณ์อย่างนี้สถาน ก, การณ์เศรษกิจแบบเนี้ยอย่างพู้เราก็ได้ไปเชิญได้เจอแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องรักษาจิตใจให้เป็นปกติไว้ก่อนซึ่งเราคือรักษาจิตใจเป็นปกติไว้ก่อนเพื่อเป็นการตั้งหลักจิตใจอย่าเพิ่งไปไวุ่นวายกับสิ่งภายนอกพยายามรักษาใจให้เป็นอิสระอยู่เหนือกับปัญหาภายนอกว่าแม้เราจะ ไปทุกไปเครียดกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องเพิ่มยาใครเครียดอีกมากขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรรักษาใจเป็นปกติ ต, ตั้งสติซะหน่อยคิดซะว่าสิ่งที่ผ่านมามันก็ต้องผ่านไปไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะเที่ยงแท้แน่นอนหรอมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปปัญหาเศรษฐกิจแบบเนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเห็นไหม เคยมีความทุกขม์ามากได้เคยเผชิญกับความทุกขม์ามากแล้วความทุกข์นั้นมันก็ไม่ได้อยู่หรอกทุกวันนี้มันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นแขกหน้าเก่าๆน้ำมันลงราคาต่อมามันก็ขึ้นอีกแล้วต่อไปแล้มันก็ลงอีกนะชีวิตมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดานะชีวิตมีขึ้นมีลงมีการเปลี่ยนแปลงมีทุกข์แล้วก็มีสุขอั น, นี่เป็นกฎของธรรมชาตินล ถ้าใครเข้าถึงกฎของความไม่เที่ยงตรงนี้แล้วก็เราจะไม่มีความทุกข์เลยถ้าเข้าถึงบทกฎเนี้ยกฎของความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีความทุกข์เลยเข้าถึงไม่ถึงว่าเข้าใจว่าทุกอย่างมีการเกิดขึ้นกระดับไปแล้วเราสัใจใจเป็นปกติเข้าไว้อย่าไปวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมากนะใจที่เป็นปกตินียมันทำให้เราสุขภาพติดดี ทำให้เกิดปัญญารู้จักแก้ปัญหาภายนอกเน้น้อยเราได้แก้ปัญหาจิตใจเราให้เป็นสงบเรียบร้อยแล้วแอ่ความสงบของจิตเนี่ยสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความไม่สงบภายนอกได้ดีมากถ้าจิใจเราวุ่นวายแล้วก็ข้างนอกวุ่นวายข้างในก็วุ่นวายมันก็เหนื่อยทั้งข้างนอกเหนื่อยทั้งข้างใ น, ในใจสงบไปก่อนในฐานะที่เราทํางานอยู่ที่นี่อาจจะนึกเป็นทุกข์บ้างเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้เรื่องการตกงานทันที่ดีแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานถ้าไม่จะเป็นจริงๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานไปอาจจะเกิดปัญหางานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มเีเพิ่มปัญหาของการตกงานอีอกงานนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานทํางานหาเงินใช้ไปก่อน <c oughs> หาเงินใช้ไปก่อนแม้จะน้อยแล้วก็หาไปก่อน ทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบในงานในปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดก่อนเมื่อเราทำดีแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงแล้วก็ยอมรับมันอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจทำตรงนี้ก่อนทำดีที่สุดสก่อนแล้วิงที่สำคัญก็คืออย่าคิดรวยทางลัดรวยทางลัดคือประกอบมิจาชีพนี่ลักขโมยที่ปล้นหรือ ไปหมกมุ่นกับอบายามุกนะเล่นการพนันแล้วก็เสพสุราสิ่งเสพติดยาเสพติดเพื่อเป็นการหาทางออกของชีวิตอันนั้นไม่ใช่ทางออกปัญหามีอยู่แล้วมันจะเพิ่มให้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันร้ายแรงมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่ทางออกสิ่งที่ดีสุดในภาะวะที่เข้ายากหมากแพงแบบเนีนะ้ก็คือการ ขยันให้มากขึ้นต้องมีความขยันมีเวลาว่างก็หาไรายได้พิเศษคือต้องทำตัวเราแล้วล่ะเราจะไปแก้ปัญหาภายนอกของแองใจเราเนี่ยมันยากมากเราต้องจัปรับใจเราให้เข้ากับสิ่งภายนอก เ, นเมื่อข้างนอกมันไม่ดีเราก็สร้างข้างในให้มันดีมิร้อยทำใจให้สงบขยันขยันหาเมื่อขยันหาเรียบร้อยแล้วยังไม่เพียงพอต้องจับขยันเก็บรักษา ขยันหาขยันเก็บใช้ใจ่ายเท่าที่ควรเท่าที่ความจาเป็นแค่นี้เราก็รวยนะ้วขยันหาขยันเก็บการขยันหานั้นคือเขาเรียกว่ามีความเพียรความขยันเก็บเรียกว่าการประหยัดต้องรู้จักประหยัดในการใช้ใจ่ายในเพราะวะอย่างเงี้ยต้องประหยัดรายได้ไม่สาคัญเท่ารายจ่าย รายได้ไม่สำคัญเท่ารายจ่ายถ้าจ่ายน้อยมันก็เหลือมากถ้าจ่ายมากมันก็เหลือน้อยหรือก็หมดไปรายได้ไม่สำคัญเท่ารายจ่ายควบคุมรายจ่ายให้ได้แล้วมันก็จะมีรายเหลือให้เราถือหลักไว้ว่าขอให้มีเกินใช้อย่าให้ใช้เกินมีมันจะมีเหลือนะ มีเกินใช้ใหญ่ใช้เกินมีมันจะมีเหลือรับรองนะอันนี้เป็นแค่ตามต้องการใช้ชีวิตแบบง่ายๆขนะ้นสำคัญก็คืออย่าจใจแง่คิดไว้สักข้อหนึ่งว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องหมายของความสุขคนเราต้องการความสุขไม่ชอบความทุกข์ในใหนีความทุกข์เพื่อจะไปแสวงหาความสุขแล้วก็มองไปที่ความสุขอยู่ที่เงิน เงินไม่ใช่เครื่องหมายของความสุขเงินเป็นเพียงสิ่งที่อำนวยความสะดวกเท่านั้นเราอำนวยความสะดวกได้แล้วบางทีเราก็ไม่มีความสุขนะเงินอำนวยความสะดวกได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้ซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้เสมอไปเราอาจจะใช้เงนิน ซื้อรถยนต์ราคาแพงๆเราซื้อได้แต่เราไม่สามารถจะใช้เงินเนี่ยซื้อความสุขจากการมีรถราคาแพงๆได้คนที่มีรถราคาแพงบางทีใจก็ไม่เป็นสุขขับรถไปคิดไป <c oughs> ไมันไม่แน่นอนเงินสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่โตๆได้แต่เงินไม่สามารถจะซื้อความสุขจากการอยู่บ้านหลังใหญ่โตได้ เงินซื้อสิ่งที่เป็นวัตถุได้แต่ซื้อใจให้เป็นความสุขนีไม่ได้อย่างเราชอบอาหารที่มีรสอร่อยราคาแพงๆเงินซื้อได้เงินซื้ออาหารราคาแพงๆได้ซื้อเต็มโต๊ะเลยทลาดก็ซื้อได้แต่เงินไม่สามารถจะซื้อความสุขจากการกินอาหารให้อร่อยได้ความอร่อยไม่ขึ้นอยู่กับเงินน้ำพริกปลา ย, ย่างไม่ต้องใช้แงเงินมากเลยกินแล้ว อร่อยได้ถ้าใจเขามีความสุขเงินสามารถซื้อเตียงนอนที่นอนราคาแพงๆได้แต่เ ง, งินไม่สามารถจะซื้อการมีความสุขจากการนอนหลับได้ใชคนที่มีเงินมากมายร่ำด้วยเนี่ยบางทีนอนไม่หลับ <c oughs> เป็นทุกข์เนี่ยผมเคยมีประสบการณ์เคยนั่งดูกรรมกรตักทราย คือเรือเนี่ยผมเป็นชาวเรือนะในเรือเนี่ยเขาจะมีเรือรักจ้างเป็นเรือเหล็กสำหรับบรรทุกทรายบรรทุกทรายเอามาจากจอประทุมมาขึ้นที่กรุงเทพพอเรือมาถึงท่าทรายเนี่ยเท่าแก่ก็มายืนดูดูเรือที่บรรทุกทรายสายหัวไม่ไหวเรือลํานี้บรรทุกทรายไม่ดีเพราะทรายมันมีแต่ดินผสมไม่ดีกรรมกรถือพลั่วมาสิบคนเลยนะ ไม่รู้เรื่องพอถึงก็ตักเลยตักเฮ hey, หัวเลาะเฮ hey, หาเสียงดังมากกว่าเลาะพอตักหมดรถสิบล้อเอาไปคันหนึ่งเต็มแล้วเท่าก็เฮ hey, จบแล้วก็ไม่คันหนึ่งตักต้องสี่ห้าคันกว่าจะหมดลําเรือนึงเท่าแก่เนี่ยใสหัวทุกคันแต่กรรมกรเนี่หัวเลาะทุกคันมันต่างกันเลยนะพอหลังจากที่ตักใสเสร็จแล้วกรรมกรรับเงินไปเอาไปใช้ใจ่าย ด้วยความสดชื่นโตแก่นอนสรายหัวอะไรบอกไม่ดีทายไม่ดีเงินไม่ดีเห็นไหมดันั้นความสุขไม่อยู่ที่การใช้เงินนะสุขที่การทํางานด้วยจิตใจที่เป็นปกติหรือสนุกมากกว่าฉันั้นอย่ายึดถือว่าเงินนั้นคือความสุขไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีพร้อมทุกอย่างมีเงินมากๆมีตมําแหน่งหน้าที่งานชั้นสู ง, สง มีคนนับหน้าถือตาหรือมีบ้านใหญ่โ ต, ตมันไม่ใช่อย่างนั้นการที่จะแสวงหาแบบนั้นเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากจใจพร้อมทุกอย่างในชีวิตนี่มันยากมากบางทีมันก็เหนื่อยบางทีตายก่อนที่จะพร้อมทุกอย่างมันเหนื่อยทัวงนี้เราเหนื่อยเพราะเราต้องแสวงหาให้มันครบทุกอย่างในชีวิตตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องมีเงินเท่านี้ต้องมีแบบนี้แบบนี้มันทําให้เราจะต้องเหนื่อยมาก ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่เราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามความจําเป็นขั้นพื้นฐานมีเครื่องนุ่งหม่มมียาละสายย่ยโรคมีที่อยู่อาศัยมีอาหารกินโดยธรรมดาเนี่ยเราก็มีความสุขได้ใช่ไหมไอ้ น, นี่เขาเรียกใช้ชีวิตแบบสันโดษอยู่แบบเรียบง่ายเนี่ยมีความสุขแล้วก็ต้องระวังเรื่องจิตใจ ถ้าใจเราเนี่ยไม่ดิลนทะ ย, ยานคือมีความอยากมากเกินไปเนี่ยใจเราก็สงบมันก็มีความสุขได้อีกอันนึงก็คือถ้ารู้จักพอพอใจในที่เรามีอยู่รู้จักพอใจในที่เรามีที่เราเป็นแค่เนี้มันก็มีความสุขได้เหมือนกันความสุขไม่ใช่อยู่กับวัตถุภายนอกความสุขอยู่ที่ใจเราต่างหาก ความสุขไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งภายนอกต้องมาบีบคั้นเราจะต้องมีอย่างนี้นะจึงจะมีความสุขไม่ใช่สุขอยู่ที่ใจเรารู้จักพอเข้าใจแล้วก็ยอมรับไม่ได้หลนมากจนเกินไปมันทําให้เราต้องเดหดื่อยๆทางใจสุขอยู่ที่ใจสําคัญที่ใจเพราะฉะนั้นอย่าให้เงินเนี่ยมันมากําหนดความสุขของเราเราต้องเป็นผู้ที่ใช้เงินย้ายเงินใช้เรา เนี่ยเงี่ยงคิดตรงเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยจะเบาจะหมดภาระหมดปัญหาในชีวิตมากยิ่งขึ้นและทีม ก, กันก็คือปรากฏการณ์ต่างๆในโลกนี้ในชีวิตนี้ในประเทศนี้ที่เราได้ไเผชิญหน้าเนี่ยอย่าถือว่าอันนี้คือปัญหาเรามองสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนานชีวิตเรามากยิ่งขึ้นมันมีความทุกข์มีปัญหาเราก็เรียนรู้ เอาปัญหาหน้ามาเรียนรู้ดีกว่าเราจะไปคลํำครวนดีกว่าเราจะไปกังวลมันขาดทุนเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้ว่าความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรามักจะมองทุกอย่างมันสวนกับความจริงสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนแล้วก็พยายามให้มันแน่นอนต้องให้มันแน่นอนมันต้องอย่างนี้เนี่ยเราไปฝืนทุกอย่างไม่มีคาว่าคงที่ คำว่าถาวรไม่มีไม่มีอะไรถาวรคนชื่อถาวรก็ไม่ถาวรคนชื่อเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงใช่ไนะเราใช้แบบทวนกระแสกับธรรมชาติสิ่งที่เราบังคับควบคุมไม่ได้แล้วก็พยายามไปบังคับควบคุมมันฝืนเนี่ยเราจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักความจริงว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ แล้วก็จะให้มันบังคับได้ให้มันคงที่ใจลงเป็นละใจลงจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนกับสิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราจาเป็นต้องอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงโลกของความควบคุมไม่ได้เนี่ยอยู่อย่างไรต้องอยู่แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แบบเข้าใจใช้สิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยความเข้าใจอย่างตัวเราเนี่ยมันเที่ยงแท้ไหม มันไม่เที่ยงหรอกเมื่อก่อนมันก็ตึงเดี๋ยวนี้มันก็หย่อนต่อไปมันก็ยานแล้วมันก็เละไปตามธรรมชาติแต่เราก็อยากให้มันเหมือนเดิมมันจึงเป็นทุกข์ตรงนี้ยใจเราเนี่ยอยากให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีๆอยากให้มันคิดแต่สิ่งที่เป็นสุขแต่มันเชื่อเราไหมไอ้ความไม่ดีในใจมันมีมากกว่าความดีที่ําไป อย่าแค่คิดแต่เลอกเป็นสุขแต่มันก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆเห็นไหมทีนี้เราควบคุมไม่ได้แต่เรารู้ทันมันอ๋อธรรมดาเข้ามันอย่างนี้เองธรรมดาของร่างกายอย่างนี้เองเดี๋ยวมันก็ผอมเดี๋ยวมันก็อ้วนแล้วมันก็ผอมแล้วมันก็อ้วนมันเป็นอย่างนี้เองเราเข้าใจมันเราจะทําไงให้มันถูกต้องก็ทํำไปแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันใจเราก็เหมือนกันอ๋อธรรมดาใจเราก็คิดเดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็โกรธในคนคนเดียวกันน่ะคนเดียวกันนะ เดี๋ยวเราก็รักเขาเดี๋ยวล้วก็โกรธรับเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเชื่อใจเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องเชื่ อ, อความรู้สึกของเราก็ได้แต่เรารู้เท่าทันมันการรู้เท่าทันเนี่ยคือการเรียนรู้จะเป็นต้องอาศัยสติเท่านั้นต้องมีสติ เ, เรียนรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับแล้วก็ใช้ค่อยเป็นประโยชน์จะมีชีวิตแบบไม่เป็นทุกข์เลยเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยคือการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยทำเราเกิดประสบการณ์อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่มันขัดใจเราแต่ละเรียนรู้ได้ดีมากจะรู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของคนใกล้ตัวเรารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เรียนรู้จะได้รู้ความจริงแล้วก็อยู่กับความจริงด้วยใจที่ไม่เป็นทุกข์การเรียนรู้ทำให้เราเกิดประสบการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้รู้สึกขยันมากยิ่งขึ้น ให้เราขยันให้เราอดทนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตพัฒนาตัวเราแล้วประสบการณ์เหล่าเนี่ยเราหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินหรอกแต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยการที่ไม่ต้องเสียเงินเลยผมเองนี่เมื่อสมัยก่อนที่จะมาอยู่อย่างเนี้ยก็มีความมุ่งหวังมากเรียนจบแล้วจะต้องมีงานทำํทำตาแหน่งที่งานจะต้องสูงเป็นลําดับดับทุกปีไป เงินจะต้องเพิ่มขึ้นได้ซีได้ขั้นได้โบนัสสวัสดิการมากยิ่งขึ้นทุกปีและเงินเหลือที่ได้มาเนี่ยก็จะเอาไปหาความสุขสนุกสนานนะ น, ะนะีส่วนหนึ่งก็เอาไปให้ดูแลพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็ต้องสนุกสนา น, นเราเคยใช้ชีวิตลําบากมากตอนนี้เรามีเงินแล้วเราจะกินอาหารโต๊ะใหญ่ๆจะไปเที่ยวอย่างที่เราอยากจะไปเราจะมีครอบครัวจะมีบ้านใหญ่โต เราจะมีคนรับหน้าถือตามีความมุ่งหวังซึ่งหลายคนก็ต้องมุ่งหวังแบบนี้มีความหวังมากแต่ความไม่แน่นอนของชีวิต <c oughs> คิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างที่เราหวังแน่นอนเลยเพราะว่าชีวิตเรามาดีแล้วแต่ความไม่แน่นอนของชีวิตทำให้ผมต้องกลายเป็นคนพิการซึ่งไม่เคยคิดหวังมาก่อนแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ชีวิตเราไม่ใช่แบบนี้นะ เราต้องไปเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันพลาดเพราะความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเนี่ยชีวิตที่คิดไม่ถึงไปชีวิตที่คิดไม่ถึงแต่มันก็ต้องมีการผิดหวังเราตั้งใจหวังไว่ไงไม่ได้แต่ว่าก็ผิดหวังแต่ไม่ได้อยู่ที่การเศร้าหมองใหม่ๆเริ่มจากความทุกข์ทาใจไม่ได้คนอายุ2ี่เนี่ยร่างกายกาลังแข็งแรงกาลังรุ่งโรจน์เนี่ย ต้องกลับมากราดคนพิการที่เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้เนี่ยโอมันใหม่ๆก็รับไม่ได้เหมือนกันรับไม่ได้แต่มันต้องรับมันมันอยู่กับมือเราอยู่กับตัวเรามันต้องรับรับไม่ได้ก็ต้องรับแต่รับด้วยวิธีแบบไหนอันดับแรกคือสําคัญที่สุดคือกําลังใจเราต้องมีกําลังใจก่อนกำลังใจมันจะมาจากไหนใครให้เรานั้นมันก็ยังไม่เพียงพอถ้ากับเราให้ตัวเองถูกไหม คนที่ให้กําลังใจเราเนี่ยเขาหลอกลวงเรานะหลอกให้เรามีกําลังใจแต่เราให้ตัวเองนี่มันไม่หลอกลวงมันซื่อตรงกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่จากคนรอบข้างอันนี้ถือว่าสําคัญนั่นเป็นกําลังจากสิ่งภายนอกแต่กําลังภายในนั้นเกิดจากอะไรกําลังใจที่เกิดจากตัวเราคือกําลังของความอดทนมีสองคำคืออดทนเนี่ย ถ้าใครสามารถอดทนกับสภาวะต่างๆรอบตัวเราได้แต่ตัวเราได้เนี่ยเราจะมีกําลังภายในกําลังใจเกิดจากกําลังภายในที่มาจากความอดทนอดกลัน้นไม่ต้องใช้ปัญญามากมายใช้แต่ความสำเร็จเองคืออดทนไว้ก่อนอดทนแล้วก็ต้องทนให้ได้ไม่ใช่บอกว่าเราทนแล้วเราทนแล้วมันทนไม่ได้ลองอดทนดูก่อนผมว่าสายความอดทนแล้วก็ตั้งสติ ยอมรับในที่มันเกิดขึ้นกับเราอดทนแล้วก็ยอมรับอ๋อนี่มันเราเป็นอย่างนี้เนาะต้องยอมรับมันการที่เราไม่ยอมรับเนี่ยทําให้เราเป็นทุกข์มากใช่ไหมเนี่ยเป็นทุกข์เพราะการไม่ยอมรับการยอมรับเนี่ยไม่ใช่ว่ายอมแพ้ยอมรับกับที่มันเกิดขึ้นเรื่องกับเราอะไรเกิดขึ้นกับเร า, อรเราพอยอมรับแล้วมันจะเป็นการตั้งสติเปลี่ยนวิธีคิดอย่างสำคัญมากคือวิธีคิดวิธีคิดออกมาจากจิตใจ คิดออกจากปัญหาไม่ใช่คิดสร้างปัญหาแหมมันทําไมถึงต้องเป็นเราเราไม่น่าเลยไอ้คนนั้นไม่น่าทํากับเราเนีเป็นนักโทษโทษคนโน้นโทษคนนี้ไม่เคยโทษตัวเราเลยเปลี่ยนวิธีคิดในการที่แก้ปัญหาอย่าไปซ้ําเติมตัวเองเราไม่น่าเลยเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นอย่างนี้เราไม่น่าเป็นอย่างนี้คนอื่นก็ไม่เป็นนั้นละเป็นที่เราอย่าไปคิดแบบนั้น ต้องคิดแก้ปัญหาปัญหาเกิดจากอะไรมองหาสาเหตุของปัญหาแล้วแก้ที่ต้นเหตุอย่างเรามีความทุกข์เพราะความจนต้นเหตุมันเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าดื่มเหล้าย้อมใจแก้จนไปติดต่งเจ็ติดหาเท่าไรกันทำอบายมุขเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหามันเป็นการเพิ่มปัญหา มันเปนแก้ที่ปลายเหตุโดยการยอมใจมันก็ยอมได้นะแต่มันยอมไม่ติดผู <c oughs> ้ชายเราก็ต้องไปเชิญกับปัญหาทําไมเราจึงจนอ๋อเราจนเพราะว่าเราไม่มีความขยันทําไมจึงจนจนเพราะว่าเราหาได้เท่าไหร่เราก็ใช้หมดเราขยันหาก็จริงแต่เราไม่ขยันเก็บทําไมจึงจนเราใชา้จ่ายฟุ่มเฟือยทําไมจึงจนแล้วเราคบเพื่อน ที่มันฟุ่มเฟือก็ฟุ่มเฟือตามไปหมดต้องแก้ที่สาเหตุแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็มันจะจะจบ ก, กันคือเราต้องมาศึกษาผมก็อาศัยความอดทนมองในแง่ดีและคิดหาทางออกคิดหาทางออกทางออกผมก็คือการยอมรับแล้วก็กลับมาย้อนดูตัวเราอาศัยการปฏิบัติธรรมการกลับมาดูตัวเรามาศึกษาตัวเราว่าปัญหามาเกิดจากอะไร ดูตัวเราจงเห็นความจริงดูด้วยสติด้วยความรู้สึกเห็นไหมเพื่อเป็นการเจริญสติให้เรารู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเพราะที่เราเป็นทุกข์เพราะเราจิตเราไปคิดใช่ไหมลนะ่ะความทุกข์เกิดจากความคิดจริงไหม <c ười> ถ้าไม่คิดไม่ทุกข์คิดมากทุกข์มากเรื่องมากคิดน้อยทุกน้อยไม่ค่อยมีเรื่อง <c ười> คิดมากก็เหนื่อยมากก็ทํามาก เวลาเรามีความทุกข์เนี่ยสังเกตดูมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งมันปรุงปรุงไปโ่ษคนนู้คนนี้ปรุงไปหาทางออกโดยทางที่ไม่ถูกต้องไม่เคยปรุงว่าเราเป็นตัวต้นเหตุของปัญหาโดยธรรไปก็คิดลืมดูตัวเราพอเราเจริญสติทําความรู้สึกตัวอยู่กันเนื้อ ก, กับตัวเนี่ยแทที่ติดมันจะคิดปรุงแต่งไปหมันกลับไปอยู่กันเนื้อกับตัวเห็นไหม ถ้าจิตอยู่กับตัวเราเนี่ยมันปลอดภัยมันแก้ปัญหาได้กลับมาดูตัวเราอ๋อตัวเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปยึดติดยึดติดไว้ร่างกายมันเป็นตัวเราของเราจริงๆอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอยากให้มันควบคุมบังคับได้ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยใจมันก็คิดไปตามเรื่องตามราวมีสติรู้ทันกายว่ากายนี่มันเป็นอย่างงี้เนาะใจเราเป็นอย่างนี้รู้เท่าทัน เข้าใจตัวเราแล้วเข้าใจคนอื่นด้วยนะก็เหลือก็เหมือนเราแหละและเข้าใจสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอ๋อเปนเรื่องธรรมดามองเป็นเรื่องธรรมดาซะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกคนที่มองว่าเป็นปัญหาเนี่ยคือมองเป็นเรื่องแปลกถ้ามองว่าอ๋อปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้นเข้าใจปัญหาเข้าใจตัวเองมันแก้ปัญหาตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละ รู้จักความจริงของชีวิตและสิ่งต่างๆว่ามีแต่การเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจมันเข้าใจชีวิตด้วยความรู้สึกตัวมันก็แก้ปัญหาตัวเองได้อยู่กับความจริงด้วยใจที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ได้คำตอบของชีวิตมองมีมองชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าแต่ก่อนมองตัวเองไร้ค่าแต่ต่อมาโอ้ตัวเองนี่เรามองให้มันมีคุณค่าก็ได้ ทำประโยชน์ให้กับตัวเองแก้ปัญหาใจเราได้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสน ไ, ไ ม, มันมีประโยชน์ในยันที่เรามีความทุกข์ทางใจแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะธรรมะมันช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้เมื่อแก้ปัญหาชีวิตได้มันก็มีความสุขความสุขแบบไม่ต้องแสวงหาเห็นหมขณะเขาโฆษณาขายเหล้านะความสุขเกิดจากการดื่มได้ความสุขที่ดื่มได้แต่เราๆนี่ไม่ต้องดื่ม มันมีอยู่แล้วในในในตัวเพียงแต่ไม่ปล่อยใจให้ไปคิดฟุ้งซ่านแล้วก็มีความสุขนวเป็นสุขแบบไม่ต้องแสวงหาด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฝึกชีวิตให้มีสติการใช้ชีวิตให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอันเนี้ยมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาเลยมันได้คำตอบของชีวิตเพราะนั้นเมื่อเราเผเจญปัญหาอะไรก็ตามเนี่ย ปัญหาทั้งหลายนี่มันไม่สําคัญเลยจะมากมาหาสไลไม่สาคัญก่อนที่ว่าเราวางใจอย่างไรกับปัญหาเหล่านนะั้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหนักหนาไม่สาคัญเท่าการวางใจใถูกต้องกับปัญหาถ้าเกิดปัญหาเพียงเล็กน้อยถ้าวางใจไม่ถูกต้องไปท้อแท้ไม่น่าเลยไปท้อแท้โทษคนโน้นโทษคนนี้เท่าไปการซ้ําเติมตัวเองปัญหาที่เดียวก็กลายเป็นใหญ่โต แต่ถ้าปัญหามากๆถ้าวางใจถูกต้องไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ปัญหาแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ปัญหามันต้องแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาปัญหาต้องแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ดีแล้วมีปัญหาเราจะได้เรียนรู้ได้รู้จักมันเป็นการฝึกกําลังจิตกําลังใจเราให้เข้มแข็งเป็นการพัฒนาตัวเราให้มันรู้มากยิ่งขึ้นดีแล้วจเจอปัญหาเราจะเรียนรู้ถ้าเรามองปัญหาวางใจแบบนี้เราก็มันมีกําลังใจ มีกําลังใจที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายนี่ไม่สาคัญล่ะสำคัญที่ว่าเราวางใจแบบไงถ้าวาใจให้ถูกต้องคือการเรียนรู้ปัญหาเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้รู้ความจริงอันเนี้ยเป็นการทําให้ใจเราเนี่ยเบาสบายมีกําลังใจท้าทายอุปสรรคท้าทายปัญหาปัญหาแค่นี้เล็กนิดเดียวมองปัญหาเป็นเท่าหนูซะว่ า, าอย่ามองเป็นเป็นช้างถ้าใหญ่โตเป็นช้างในปัญหามใหญ่ตโวมาก เล็กน้อยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมมองเรื่องง่ายๆซะมันจะได้มีกําลังใจที่จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นปัญหาจะถูกแก้ไขได้แต่เมื่อเรามองปัญหาในแง่ดีปัญญาจะถูกแก้ไขโดยง่ายได้ถ้ามองในแง่ดีด้วยการเรียนรู้และเ ข, เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาเรื่องเล็กมันก็จะเล็กลงไป เรื่องอยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องทุ ก, ก็มันก็จะไม่ทุ ก, กมีใครอยากจะสนทนาหรือสักถามบ้างไหมผมคิดว่าถ้าอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยว่าพวกเราควรจะเริ่มทํากันยังไงเพื่อจะอมีแนวทางในการนําไปปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากอาอาขอคําแนะนำหน่อยครับก็ดีก็ถามว่าวิธีการประเจนหน้ากับปัญหา ด้วยการวางใจอย่างไรแบบนั้นใช่ไหม <c oughs> มันก็มีหลักอยู่ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือสองอย่างเนี่ยต้องทำคนเรานี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเพื่อความสุขใช่ไหม เ, เอาตรงๆเลยเพื่อความสุขใช่ไหมแต่จริงความสุขก็ยังไม่ปลอดภัยนะความสุขเป็นที่ทางความยิดมั่นถือมั่นความสุขมันเที่ยงไหมไม่เที่ย <c oughs> เวลามันสุขหายไปแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ย เราตั้งความหวังไว้ผิดที่ว่าเราต้องการแต่ความสุขแต่ผมามีวิธีการเสนอว่าเราเปลี่ยนวิธีการตั้งความหวังใหม่ชีวิตเราเกิดมาเพื่อความไม่ทุกข์ดีไหมบางคนบเอ้ย <c oughs> ไม่ทุกข์มันจะสุขเลยไม่ทุกข์มันจะสุขเลย <c oughs> ความสุขที่เกิดจากความไม่ทุกข์เนี่ยโอ้โหมันบอกไม่ได้ <c oughs> ความสุขที่แท้จริงคือสุขที่เกิดจากจิตที่มันไม่เป็นทุกข์มันสุขแบบสงบเย็นภายในมันสุขแบบสบาย ไม่สุขแบบร้อนสุขแบบเย็นมันไม่ทุกเนี่ยคือความสุขสูงสุดเลยนั้นเป้าหมายคืออย่ามุ่งแต่ความสุขเพราะสุขมันก็ไม่เที่ยงเอาความไม่ทุกดีกว่าเนีเมื่อความไม่ทุกเลยมันก็จะมีความสุขที่มันมันบอกไม่ได้มันดื่มดั่งอย่างนี้ถามว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือความไม่ทุกนะเอาที้ก่อนตอนในข้อมุมก่อนแล้วเราต้องทำสองอย่างในชีวิตเราเนี่ยต้องทำสองอย่าง คือทําสิ่งข้างนอกให้ถูกต้องตามสมมุติและให้ดีที่สุดด้วยดีที่สุดสำหรับเรานะไม่ให้ดีสําหรับคนอื่นดีสุดของเราคือทําได้แค่ไหนมันก็แค่นั้นแต่ดีที่สุดสำหรับคน อ, อื่นนี่มันไม่ใช่มันต้องให้มากให้ไว้ให้เร็วให้ดีแต่ของเขาของเรานี่มันต่างกันยิ่งเราทําให้เขาเนี่โหดหนักมากดีของเราคืออะไรถ้าที่เราจะทําได้อย่างดีที่สุดตามความสามารถตามประสบการณ์ ทำสิ่งข้างนอกให้ดีที่สุดเลยทำงานเนี่ยทำให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจงด้วยความรอบคอบอย่างมีสตินั่นคือข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยมันต้องไม่ทุกข์เมื่อทาแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรข้างนอกต้องไม่ทุกข์นะผลออกาเป็นยังไงต้องยอมรับได้ข้างในต้องไม่ทุกข์คือทำข้างในด้วยความไม่ทุกข์คือมีสติรู้เท่าทันกับสิ่งที่เราทาข้างนอก เดตัวอย่างง่ายก็คือเวล า, <ช>าหิวอะไรหิวล่างกายหรือจิตใจมันหิวถ้าใครบอกจิตใจหิวนี่ไม่ใช่ร่างกายนะ <subconscious ly> คือหิวความอยากหิวตัณห า, น า, นาถ้าร่างกายหิวแล้วถูกต้องแต่เมื่อร่างกายหิวเนี่ย <sm akes> เราต้องโมโหไหมาบางคนหิวข้างนอกนะร่างกายจะใจโมโหนะ่ะเป็นทุกข์นะเนี่ทําไมมันมาชา้าเหลือเกินอาหารนี่มันสิบเอ็ดโมกว่าแล้ว เมื่อไหร่มันจะเละิกทีข้างนอกหิวแต่ข้างในโมโหด้วยเพราะฉะนั้นเราหิวข้างนอกเราทำยังไงล้วก็พาล่างกายไปกินเลย <c oughs> ก็พาไปกินก็จบคือใจปกติแล้วคือหิวแล้วใจไม่ต้องโมโหใจไม่ต้องเป็นทุกข์นะก็พาล่างกายไปกินคือข้างนอกเนี่ยทำให้ถูกต้องเลยแต่ข้างในเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็รู้เท่าทันคือต้องไม่ทุกข์ข้างใน เราทำงานข้างนอยให้ถูกต้องแล้วไม่ทุกข้างหนเราเป็นพ่อบ้านทำหน้าที่พ่อบ้านถูกต้องแต่ถ้าแม่บ้านไม่พอใจไม่เป็นเรื่องของเขาข้างในเราไม่ต้องเป็นทุกข์ <aroma> แต่ทำหน้าที่จะถูกต้องนะ <gerade> <whiskey> เราเป็นแม่บ้านเราทำหน้าที่แม่บ้านถูกต้องแล้วแต่พ่อบ้านไม่พอใจมันต้องเรื่องของเขาเราต้องไม่ทุกข์ข้างในด้วยแต่ทำข้างนอกให้ถูกต้องถูกหอย่างเราชื่อแต๋วอย่างเงี้ยชื่อแต๋วไปชื่อสมมุต ใครเรียกแต้วเราต้องมองต้องหันหาครับต้องหันต้องพูดคุยตันธรรมดาแต่ถ้าว่าแต้วไม่ดีก็แต้วไม่ดีเลยไม่สวยนีย่งเงาเราต้องเป็นทุกข์ไหมเราต้องไม่ทุกข์นะเพราะแต้วนะั้นเป็นเพียงแค่สมมุติข้างนอกเราเกิดมาเราก็ไม่ได้แต้วมาก่อนแล้วต่อไปข้างหน้าตายไปแต้แตวก็ไม่เหลือแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้คือข้างในต้องรักษาด้วยสติได้รู้เท่าทัน ข้างนอกก็ว่ากันไปตามระเบียบถ้าเรียกแต๋วต้องหันนะถ้าไม่หันเนี่ยเราบอกเราไม่ใช่ชื่อแตว๋วชื่อแต๋วชื่อสมมุติเขาจะตบเรานะ <S <S <S ใช้แต๋วไม่ถูกต้องจะถูกตบเหมือนกันนะต้องหันหน้าไป อ, อ๋อใช่แต่เขาตําหนิเราหรือเขาว่าเราแตไ๋ไม่เนียนไม่สวยไม่ใช่เราทําทข้างนอยถูกต้องแต่ต้องไม่ทุกข้างหนอันนี้เป็นตัวอย่างนะถ้าตัวอย่างยกใน ม, มากมายเลยนั้นเราทํางานทําไม่เต็มที่ แต่ข้างในต้องไม่ทุกข์ได้ขานาดต้องยอมรับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาตามประสบการณ์ไม่ใช่ว่าได้แค่นี้เอาแค่นี้วันต่อไปก็แค่นี้อีกต่อไปแค่นี้อีกมันไม่ได้ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นต้องอยากเรียนรู้ให้มันดีขึ้นต้องพัฒนางานแต่ต้องพัฒนาใจต้องไม่ทุกข์ด้วยถูกไหมเมื่อใจไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขเองเราทํางานได้จิตใจที่ตั้งมั่นแล้วมั่นใจแล้วเนี่ย ผลออกมาไงต้องรู้จักยอมรับคนเราเป็นทุกข์เพราะว่าทําแล้วไม่ยอมรับในผลงานทําน้อยอยากได้มาก <c oughs> <c oughs> นะมันจึงเป็นทุกข์ทำน้อยอยากได้มากคือทําข้างนอกแล้วมีหวังอยู่ข้างในทํามากทําดีแล้วยังมีความยึดมั่นถึงมัน่นทํามากแล้วจะต้องได้เงินจะได้ชื่อเสียงมันก็เป็นทุกข์เลยมันได้มันก็ได้ถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้ต้องจักยอมรับในผลงานที่เราได้รับ ทำเหตุที่ถูกต้องแล้วก็ยอมรับในผลทําเหตุที่ถูกต้องต้องยอมรับในผลถูกไหมบางทีทําเหตุถูกต้องแล้วผลออกมาเนี่ยไม่พอใจไอ้ควาไม่พอใจเนี่ยมันเป็นตญหาของเรานะ <c ười> คือไม่พอดีของเราเราก็เลยไม่พอใจใช่ไหมต้องยอมรับในผลด้วยเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยที่ว่าต้องลดงานลดตําแหน่งลดเวลา เงินก็ลดลงเนี่ยเราต้องยอมรับที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้ใครก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้แต่มันจำเป็นต้องเป็นเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่ามันจะกระทบแต่เราอย่างเดียวหรอกทุกคนแหละแต่ว่าเรามีผลกระทบที่ว่าลดงานลงใช่ไหมแต่ผมนี่เพิ่มงานขึ้นพระต้องทำงานหนะักโรงพยาบาลก็ทางานนะอันนั้นบนนะ เพราะว่าอย่างโรงพยาบาลต้องรับงานมากขึ้นเพราะคนเครียดมากขึ้นคนฆ่าตัวตายมากขึ้นวัดก็ต้องเผาเาละหลายรอบเรือนจําก็มากขึ้นขยายเรือนจําโอ้จเจริญ ง, งอกงามมากเมืองไทยขยายเรือนจําขยายโรงพยาบาลแสดงว่าคุณเาผาชีวิตมันไม่ดีใช่ไหมอันนั้นเพิ่มงานอันนี้ลดงานนั้นเราต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับแล้วก็เข้าไปแก้ไขเข้าไปเกี่ยวข้อง คือมีความขยันมากขึ้นแล้วก็มีความประหยัดมากขึ้นเข้าใจเนาะเนี่ยถามหนึ่งตอบสิเลย <c oughs> เพื่อป้องกันคำถามต่อไปเราวก็มีการกันแล้วก็กักเอาไว้ <c oughs> เงียบเนี่จะให้จบนะ <c oughs> <c oughs> บางทีมันก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะ <c oughs> เวลาเราคุยแล้วเขาเงียบ <c oughs> เดี๋ยวไเรา <c oughs> เอาละก็ สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ในพระธรรมมาทําประโยชน์มาให้แง่คิดให้กําลังใจเล็กน้อยบางทีอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าสมควรแก่เวลาสุดทนายนี้ขออวยพรให้กับทุกๆคนนะขอให้กําลังใจกับเพื่อนร่วมทุกๆทุ ก, ทกคนนะให้มีกําลังใจมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีสติปัญญาเผชิญหน้ากับปัญหาโลกภสัคแล้วก็ได้รับชัยชนะ คือความสำเร็จในชีวิตชีวิตไม่มีทุกข์มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ